a y o dhamma akusala, Tayo dhamma kusala, Das dhamma akusala, a s dham. อันนี้แบบแบบคร่าวๆจะเป็นไปมุมลักษณะอย่างเงี้ยตอนจิตเป็นสมาธิน่ะดิ่งในลมเดียวถูกแต่พอจะมาเดินวิปัสสนาก็เอาสมาธิเป็นฐานออกจากสมาธิออกจากสมาธิแล้วก็วิจัยโดยความเป็นนามรูปโดยความเป็นเหตุปัจจัยของนามรูปโดยการยกนามรู ป, เ, ปเหตุปัจจัยนามรูปขึ้นสู่ไตรลักษณ์คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์ถ้าสมมุติวิจัยไปวิจัยมานี่นะรู้สึกว่าตัว วิปัสสนาญาณทั้งหลายมันอ่อนแอลงท่านกลับเข้าสมาธิใหม่ท่านกลับเข้าสมาธิใหม่เพราะแสดงว่าตอนนั้นถือวิจัยไปนี่แพ้มันจะฟุง้งเดี๋ยวกิเลสจะเข้าเขาจะมีที่พักของเขาคือกลับเข้าฐานสมาธิโดยการวิจัยฐานต่อจนจิตเป็นสมาธิแล้วก็ดิ่งในรมเดียวนั่นแหละพอหลังจากแข็งแรงจิตแข็งแรงเบียดเสร็จแล้วก็เอาสมาธิมาเป็นฐานต่อแล้วก็มาวิจัยต่อวิจัยถ้ายังไม่เข้าถึงความจริงอีกก็ เข้ามาพักที่ฐานสมาธิถ้าดูประมาณเหมือนการลบการไปรบเนี่ยเวลาเราจะออกรบเนี่ยมันจะนี้ต้องมีมีมีประตูเมืองเปิดประตูเมืองออกไปไปลบกันข้างนอกอะ่ะพอรบเบ็ดเสร็จถ้าเราเห็นทีว่าค่าศึกอ่อนแอเต็มทีแต่เราก็อ่อนแอด้วยเนี่ยนะราคาโทสะมุ่งะก็ถูกวิวิจัยพิจารณาและถ่ายถอนซะจนแต่ว่าเขายังไม่ถูกถอนลาบเนี่นะแต่เราก็สู้ไม่ไหวเหมือนกันเนี่ยนะ แต่ไม่ใช่ไปสู้ไม่ไหวแบบสลืมสลือแบบนี้นะไม่ใช่วิปัสนาจะไม่มีการสลืมสะลือเด็ดขาดไม่มีแบบนี้เขาก็กลับเข้ามาที่พักใหม่เหมือนเนี่ยไหมเพราะตอนนี้เขาก็มาปิดประตูไหมปิดประตูเมืองไหมเวลาเข้ามาปิดไม่ปิดนี้ก็เหมือนกันเวลาเข้ามาสู่ฐานสมาธิทําไมก็มีในกระแสจิตเนี่ยทำไมก็มีสมาธิเป็นฐานเพราะเขาไม่ให้กิเลสเข้ามาเจาะจิตใจของเขา กรณีเหมือนกันว่าค่าศึกก็อยู่ข้างนอกไปสิประตูรั้วเขาปิดหมดแล้วประตูเมืองปิดแล้วเขาก็มาพักผ่อนกินอาหารให้ร่างกายแข็งแรงแบบเสร็จเร็จก็ออกไปวิจัยต่อนี่เหมือนกันกรณีที่ท่านมาพักในสมาธินั้นเพราะจะได้เป็นฐานในการเข้าไปสู้รบขั้กิเลสใหม่มันเป็นอย่างนี้ฐานของการปฏิบัติก็เป็นแบบนี้เดี<ม>๋คือเมื่อกี้มาจากสมาธิอะไร่ ใช่ไหมาถ้าฐานก็มาจะมาเข้าสู่ฐานถ้าคุณชํานาญฐานบางคนเข้ามาสู่สมาธิสายพุทธคุณธรรมคุณเขาไม่ได้อยูก่กับกรรมฐานเดียวนะแต่ว่าเขาเดินจนชํานาญสองสามกรรมฐานเป็นฐานรองรับเขาไว้เพราะนั้นสาวกของพทะเจ้าจะไม่อยู่กรรมฐานเดียวเพราะสถานาการณ์แต่และอย่างเนี่ยมันแปลเปลี่ยนยมวิพากษ์ษานเนี่ยถ้า ถ้าวิ่งถนนเรียบๆมีใช้รถอีกอย่างไหมถ้าขึ้นเขาใช้อีกอย่างไหมลงน้ำใช่ไงไปบนอากาศทําไงนั่นแหละเห็นไหมคนละอย่างกันไหมละ่ะนี่มันการพระศาสดาวางกรรมฐานไว้เ ห, หมาะเกตสถานการณ์ให้เหมาะเกตสถานการณ์นี่เราไม่มีฐานกรรมฐานพวกนี้เลยใช่ไหมอันเนี้ยแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะใช้อย่างไงด้วยตัวเราเองเนี่ยเนี่ยมันประเด็นมันอยู่ตรงนี้ งั้นไม่พวกเราเวลาหยุดเจริญกรรมาฐานกิเลสเล่นงานเต็มไปหมดไหมเต็มเนี่ยพราะเราไม่มีที่พักเนี่ยกลุ่มนี้ไม่มีที่พักไม่มีที่พักรบกิเลสมันวิ่งเจาะหมดเลยแล้วลมันก็เลยไปกันไม่เป็นทุกวันเนี่ยอ่อนเพี้อเพี้แรงกันเป็แถวเป็นแนวดูมีศรัทธาดีนะมาอบรมครั้งเนี้ยพอกลับไปอีกไม่กี่วันนะเขาไปฟังธรรมอะอย่ามาพูดเรื่องฟังธรรมมาอีกเครียดอยู่เนี่ยนี่มึง กำลังเครียดเห็นว่ า, าชวนฟังรำนี่โหกําลังร่วงอยู่เนี่ยใช่ไหมเพราะเราออกจากตรงนี้เมื่อไรแล้วก็ปล่อยกีเลสเล่นจนเต็มไปหมดเลยเพราะเราไม่มีที่พักไม่มีเมืองขึ้นตอนนี้เราไม่มีประเทศอยู่นะผู้ตามภาษานักปฏิบัติก็เรียกไม่มีประเทศอยู่ยังยึดพื้นที่อะไรไม่ได้เลยตอนนี้สถานการณ์ในบ้านเมืองเราเนี่ยวุ่นวายไปหมดเนี่ยหมายถึงในกระแสขันนี่เนี่ยเข้าใจป่ะ นิ่งก็ถีนะมีท่าเล่นถ้าไม่นิ่งก็อุทจักก็เล่นใช่ไหมเดี๋ยวก็โลภะก็เล่นสถานการณ์หน้าไว้ใจไหมเนี่ยสถานการณ์น่าควรจะควรจะปฏิวัตินั้นแล้วอันนี้เราไม่ยอมประกาศภาว่าฉุกเฉินเมื่อกี้ใช่ไหมว่าบ้านเมืองมัวนุว่นวายขนาดนี้แล้วนี่แล้วก็ปล่อยเหมือนอะไรไม่เกิดขึ้นแล้วบ้านเมืองไม่มีขือ่อไม่มีแปร โลภะอยากจะเข้ามามลัยมันเข้าไหมโทสะอยากจะเข้าเมลัยก็เข้าทีนัมิทะอยากจะเข้าเมลัยก็เข้าอุทธิจารอยากจะเข้าเมลไยก็เข้าวิจิกิจขาอยากจะเข้าเมลัยก็เข้าอวิชาอยากจะเข้าเมลัยก็เข้ามันเหมือนกับบ้านไม่มีไม่มีรู้วอะไรเลยอ่ะเริ่มเห็นนี่ยังว่าเราอยู่ในสถานการณ์นั้นจริงไหมเป็นเพราะเจ้าของบ้านใจดียวจรเขาจะเข้าบ้าน โอ้ยไม่ต้องมาขออนุญาตหรอกเขาปล่อยตั้งนานแล้วราคาโทรศัพโมหามานะที่ถี่จะเข้ามาเลยเข้ามาเฮ้อเนี่ยพักจะเรามาฟังทำเรามาเก็บบัลเลียซับใช่ไหมเก็บไปวางไว้หูเยอะหมดเดี๋ยวเขาพ่นเอาไห้หมดพ่นหมดเมื่อเช้าเก็บมาดีๆเมื่อเช้าเนี่ยอาจารย์มีชายก็บอกให้เก็บทานกุศลไว้ดีตอนนี้มานั่งเ ง, งาๆเ ง, งาๆเลยเนี่ยไปอีกแล้ว เออมาบอกให้เก็บต่อเดี๋ยวถ้ายงหนึ่งมาต่ออีกไปอีกนี่นะหมดเงียนะ้วทำไงดีตอนนะี้เอาสถานการณ์มันเป็นแบบนี้เราจะได้รู้จกักอ้อนี่อย่างนี้เองว่าเราเราจะต้องมีที่พักยิงถ้างั้นคนที่ไม่มีที่พักในการที่จะเข้าไปวิจัยทั้งหลายเหล่านี้ก็แปลว่ายังไม่มีที่ที่พักพักของกุศลเลยตอนนี้นะ บางทีมีไม่ใช่ไม่มีมีแบบไม่ถาวรมีแค่ชั่วพักชั่วคู่น่ะเข้าน่ะเข้าถูกเข้ามาล้วงเอาไปหมดอาณาถาจริงๆไหมเนี่ยทุกขต า, าปัญากาแล้วกูเตไม่มีอรียรัพย์เลยอ่ะแล้วแล้วามาฟังฟังทีไรออกมาสะเทือนใจหลายเรื่องเนี่ย นเนี่ยพอกลับไปเนี่ยเราจะโทรบอกคนอื่นเต็มไปหมเอาบุญมาฝากบอกว่าเนี่ยเก็บอริยทรัพย์ได้เต็มไปหมดแล้วเอามาฝากคนนั้นถ้าจะบอกความจริงบอกไงบอกแม่เมื่อวานก็เก็บอริยทรัพย์ได้ดีๆแล้วโดนต้นระหว่างทางมันพ้นตอนนี้ทั้งๆที่เราวังไว้นี่นะจะเก็บมาเนี่ยนะก็โดนต้นเอาไปซะแล้วงั้นแต่ไม่เป็นไรเรายังเหลือมาบ้าง นั่นแหละเอาส่วนเหลือมาให้แต่จริงๆก็คือนี่ต้องการจะให้เข้าใจว่าเนี่ยเราจะถูกดักปล้นดักปล้นนะดักโดนอะลรนั้นเมื่อเราเก็บสะสมมรยรยพย์ก็ต้องระวังพยายามสร้างกำแพงเมืองให้ได้ก็คือศีลไงเป็นกำแพงด่านแรกสมาธิไงเป็นด่านที่สองนะเนี่นเป็นด่านที่จะป้องกันนั้นคนที่ตั้งมั่นในกุศลศีลตั้งมั่นอยู่ในสมาธินะ สิ่งต่างๆเรนนี้ก็จะสามารถมีที่เก็บมีที่พักหลบกิเลสแล้วก็จะสามารถเข้าไปวิจัยอะไรต่างๆเป็ต้นได้เพราะจะมองเห็นไหมเท่านี้อ่าพอมมองอย่างนี้แล้วรู้สึกว่าเราไม่รู้จะทํำยังไงไหมเกิดภาวะตรงนี้ขึ้นมาไหมหรือหรือยังมีความหวังอยู่ยังมีความหวังนะยังหวังอยู่เนาะเอา ตรงเนี้ก็เลยเลยเมื่อกี้ก็เลยตอบคําถามแม่ทีถามว่าเราจะแยกรูปแยกนามนยังไงก็มาจากถานที่หนึ่งได้เมื่อเราจะเดินกรรมาฐานไหนก็ศึกษากรรมาฐานนั้นในเ้เต็มเลยแล้วก็เป็นไปตามลําดับนึงแล้วก็จะจะเกิดความเข้าใจทีนี้ส่วนเรื่องของการที่ ถ้าใครมีถ้ามีใครเขาเถียงกันเรื่องปัจจุบันอารมณ์อดีตอารมณ์มณมณมณน่าเขายวเพิ่มไปใส่ใจตรงนี้เวลานี้ไม่ใช่เวลาที่จะไปถกกันลงนั่นเลยไม่ใช่ไม่สําคัญนะสําคัญแต่ว่าผลก็คือว่าการที่เราจะต้องรีบมุ่งมั่นขัดเกลาตัวเองนะเดินเข้าไปสู่จุดนี้สําคัญกว่าไหมสําคัญกว่าเพราะว่าเวลาเวลาเห่งการที่จะต่ อ, อ ก, กรกกิเลสพวงเราก็เหลือน้อยลงน้อยลงทุกคนมีเวลาจํากัดหมดเลย ไหนข้อมูลที่เรายังเหลื อ, อยังเก็บเกี่ยวได้ไม่เพียงพอนะก็เหมือนกับกรณีที่ว่าเราจะศึกษาแผนการลบแต่เราไม่เคยรู้ศัตรูเราไม่เคยรู้เลยและเรายังไม่เคยรู้ใครจะมาเป็นพวกเราเลยเนี่ยนะนั่นก็ต้องจะต้องวางแผนให้ดีก็คือเนี่ยเก็บเกี่ยวข้อมูลตรงเนี้ยเวลาเราฟังแบบนี้แปลว่าเราฟังข้อมูลนะแต่เวลาไปไข้ควรทั้งหลายเราหรือในขณะเนี้ยการไข้ควรทั้งหลายเพื่อจะต้องการที่จะ จะกำจัดกิเลสนั้นทานก น, นกุศลศีลกุศลภาวนากุศลเป็นเรื่องการเพื่อจะกำจัดกิเลสอันนั้นโดยตรงแต่เมื่อกำจัดกิเลสได้ไม่เป็นสมูทเฉท้าประหารผลของทานมีอยู่ผลของศีลมีอยู่ผลของภาวนามีอยู่อย่างยิ่งใหญ่มหาศาลอยู่แล้วที่จะเป็นไปในภพซึ่งเดี๋ยวต่อไปนะก็บรนดาครูบาอาจารย์ะท่านก็จะมาแจกแ จ, แจไงไปเท่รก็เน่ ผลเนี่ยยิ่งใหญ่ไพศาลอยู่แล้วถึงแม้เราจะอยู่ในภพก็อยู่อย่างในภพแบบไม่ค่อยเจ็บปวดมันเจ็บปวดอยู่แล้วการอยู่เนี่ยเจ็บปวดการที่จะต้องมาดูแลตาหูจมูกเลี้ยกายใจแต่ก็ไม่เจ็บปวดต่ อ, ต, อต่อสิ่งแวดล้อมเราจะได้สิ่งแวดล้อมที่ดีที่เป็นสปายะแก่การเกื้อกูลในการเจริญกุศลเพราะเราบําเพ็ญทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลถูกใช่ไหมฉะนั้นถึงแลไอ้ตรงนี้เนี่ยเราจะสร้างสภาพ คุณภาพชีวิตสร้างสิ่งแวดล้อมของเราให้ดีไม่เจ็บปวดเหมือนปัจจุบันในชาตินี้ที่บางท่านแสวงหาเหตุปัจจัยมาทั้งชีวิตกว่าจะได้เจอเนี่ยใช่ไหมกว่าจะได้เจอสิ่งแวดล้อมที่เอื้อเนี่ยโหยากมากแม่เราอยู่ในบ้านเนี่ยสิ่งแวดล้อมก็ไม่ใช่จะเ อ, อื้อต่อการที่จะเจริญกุศลอันนั้นบ่งบอกถึงอะไรบ่งบอกถึงว่าเราเนี่ยไม่ได้สั่งสมอัจยาศัยมาดีเราไม่ได้ เราไม่ได้มีวัดอยู่ใกล้วัดเชตทวันสมัยพระเจ้ายังทรงพระชนอยู่นี่บ่งบอกชัดเลยนะว่าเราสร้างบรรยากาศสิ่งแวดล้อมผิดพลาดผิดพลาดาเลยผิดพลาดทีนี้เรามาอยู่ในบรรยากาศนี้เลยอ่ะซึ่งบรรยากาศดูเหมือนว่าเือวัดก็เต็มไปหมดเนี่ยแต่ว่าในเจาะลึกเข้าไปในบรรยากาศนั้นเรากลับไม่ได้สปายาท์ทั้งสิ่งแวดล้อมเท่าที่ดีเท่าที่สมควร อันนี้บ่งบอกอะไรเนี่ยบ่งบอกถึงว่าฉะนั้นเราถ้าเรายิ่งเก็บเกี่ยวข้อมูลได้ดีแล้วมีความเข้าใจคําสอนชัดขึ้นมาเวลาเรากลับไปอยู่บ้านเนี่ยเราจะสร้างประเทศหรือที่อยู่ของเรานั้นให้เป็นปฏิรูปประเทศได้ด้วยการที่เราได้ข้อมูลแข็งแรงแล้วนั่นแหละเมื่อเราสร้างที่อยู่ของเราเป็นปฏิรูปประเทศใช่ไหมที่ตรงนั้นเดี๋ยวบัณฑิตก็ไปหาก็มีพระธรรมของพระาศาสดาหมุนเวียนอยู่ในที่ตรงนั้น แล้วก็มีพระพุทธเจ้ามีสาวกของพระพุทธเจ้าทั้งหลายมีการประกาศธรรมในที่ดินแดนถิ่นของเราได้มันก็กลายเป็นว่าประเทศที่สมควรได้ครบรัตบุรุษได้ฟังพระธรรมใช่ไหมแล้วโยนยโสมหการของเราจะเกิดง่ายมากแปลว่ามันเริ่มจะสร้างสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีฉะนั้นทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลที่เราระดมสภากำลังในการที่จะเข้าใจเขาให้ได้แล้วก็เน้นเพื่อจะทําให้ถูกเป็นต้นเหล่านี้ อันนั้นคือการสร้างคุณภาพชีวิตสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีในปัจจุบันภพนี้ด้วยแล้วก็ในภพถัดๆไปด้วยและในที่สุดจริงๆตรงนี้แหละจะเป็นปัจจัยเกื้อหนุนในการทําให้เราพ้นจากชาติทุกทุชรารทุกพยาทุก์และมรณะทุกข์เป็นต้นได้เห็นไหมนี่ชีวิตเป็นอย่างนี้ว่าเออเราเร า, เราที่เราทําทั้งหมดเระดมทั้งหมดเนี่ยเราตั้งอัตยาศัยสังเกตดูทีคําประาดทนาของเรา บุญใดที่ข้าพเจ้าได้ทำนะบัดนี้เพราะบุญนั้นและการุทธิ์ส่วนกุศลนั้นขอให้ข้าพเจ้าทําให้แจ้งโลกุตละทำก้ามในทันทีใช่ไหมถ้าข้าพเจ้ายังเป็นผู้อาภาพอยู่ยังต้องท่องเที่ยวในวัฏสงสารขอให้ข้าพเจ้าอยู่ในประเทศที่สมควรได้พบกัญยาณมิตรเป็นต้นนี่คือการตั้งอัธยาศัยในการให้ทานหรือทําหรือบำเพ็ญทานนกุศลศีลและภาวนากุศลทุกครั้งอัธยาศัยที่ตั้งไว้อย่างนี้ยถ้าเราตั้งตั้งไว้อย่างมุ่งมั่นนี่นะในส่วนจริงๆเนี่ท่านบอกว่าเจตนา กรรมหรือกุศลกรรมของบุคคลผู้มีศีลสําเร็จพระองค์อนุญาตไว้สําหรับผู้มีศีลนะแต่ไม่ใช่อนุญาตไว้สําหรับผู้ทุศีลอย่างยกตัวอย่างเช่นให้ทานสละบริจาคเนี่ยแต่เราปรารถนากษัตริย์มหาศาลขณาบุดีมหาศาลใช่ไหมหรือว่าพรรมน์มหาศาลเนี่ยปรารถนาเป็นกษัตริย์เป็นขณามบุดีเป็นราชาเป็นหมากษัตริย์เป็นคนรวยเป็นคนอยู่ในฐานะที่ดีเนี่ย แล้วก็ให้ทานเนี่ยความปรารถนาอย่างนี้ก็เรียกว่าตั้งจิตอธิษฐานจิตน้อมจิตไปนในทางที่ต่ําไม่ได้น้อมจิตตั้งจิตอธิษฐานจิตไปเพื่อบรรลุแต่น้อมจิตอธิษฐานจิตตั้งจิตไปเพื่อเป็นมนุษย์แล้วก็เป็นความมีความสมบูรณ์ในความเป็นมนุษย์เนี่ยนะอย่างเนี้นะถือว่ายังต่ําอยู่แต่ว่าความปรารถนานี้สําเร็จนะแต่จักสําเร็จเฉพาะบุคคลที่มีทานกุศลที่มีศีลเท่านั้นนะไม่ใช่ทานกุศล ที่ตั้งอยู่บนความทุศีลถ้าทานกุศลที่ตั้งอยู่บนความทุศีนนะปรารถนาได้แต่ไม่ได้เอาแล้วผลของทานไปไหนเอาก็ทําไม่มีฐานะดีไงเอาแล้วจะทำยังไงเอาอบายศัตร์ฐานะดีก็ต้องเยอะใช่ไหมพยานนาคเป็นราชาของหน้าก็ได้แต่เป็นอบายศัตร์นะหรือเป็นเป็นเสือก็ได้คนดูแลยิ่งใหญ่เขาจะสร้างโอ้โหภูเขาทั้งลูกให้อยู่ เป็นราชาของเสือในนั้นก็ได้ใช่ไหมหรือจะเป็นสุนัร ก, ก็เป็นราชาของสุนัร ก, ก็ยังได้เลยคนยกย่องทั้งบ้านทั้งเมืองก็ได้แต่ว่านี่ไงให้หรือสละทานนกุศลของคุณเนี่ยตั้งอยู่บนความทุศีนคุณก็ได้แล้วไงผลของทานก็ได้แล้วแต่ผลของศีลคุณไม่ได้อ่ะเพราะความจะเป็นมนุษย์หรือเทวดาเป็นต้นคุณต้องมาจากกุศลศีลมองเห็นไหมฉะนั้นทานนกุศนเนี่ยต้องมีศีลกำกับ จึงจะมีผลมากมีอนิสงส์มากพอจะมองเห็นไหมนี่เป็นอย่างนี้ท่านทุกชั้นเลยที่ว่าพระท่านพูดตอนเช้าที่บอกว่าเป็นมนุษย์เป็นเทวดาจาตุมหาลัจิกาตาวติงสายามาดูสิตปริณิมมิสวดออนิมาราดีปารณิมมิสวดแม้แต่ผรมเนี่ยทานเนะ่ะให้ผลได้เบ้นยันพรมแต่แต่นะ ถ้าระดับพรหมนี่ต้องไปจากพรมวิหารด้วยเนอะแต่มีทานเนะมีทา น, นกุศลเนอะเป็นปัจจัยนะไม่ใช่ว่าไม่มีทานถ้าไม่มีการสละเลยเนี่ยเป็นไปได้หรือพรหมพรหมต้องมีสถานที่อยู่ไหมถ้าเป็นเป็นพรหมเนี่ยต้องมีต้องมีวิมานอยู่ไหมพรหมพรหมก็ต้องวิมานอยู่มีไอวิมานเหล่านั้นต้องไปจากทานกุศลไหม ันไปอยากทานไม่ได้ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ได้ให้วัตถุอะไรเลยแล้วจะไปเอาาอาศัยวัตถุอะไรหรืออย่างจะมีวิมานใหญ่ตโตมโหสลเนี่ยก็ต้องจากวัตถกุก็ให้ดินน้ำไปลมนี่แหละที่สุดจริงๆก็แปลเปลี่ยนเป็นดินน้ำไปลมที่ที่หมดจดสะอาดอย่างนี้เป็นต้นแต่อางนี้เขาเรียกว่าให้ให้หวังผล ให้ดินน้ำไฟลมแต่หวังผลที่เป็นดินน้ำไฟลมแค่นั้นแหละจริงๆก็อาจจะไม่ดินน้ำไฟลมที่ประเสริฐกว่าอย่างนี้นะว่าคนที่สละให้อย่างสูงละเราให้ทานในกุศลมากขึ้นมากขึ้นได้เพชรมาก้อนหนึ่งคือจริงๆใช่ดินน้ำไฟลมไหมแต่มันปราณีตกว่าดินน้ำไฟลมที่ตกอยู่ตามก้อนนะไอ้นี่ยทั่วไปยอย่างเงี้ยเห็นไหมจริงๆก็คือนั่นแหละผลของทานมันก็จะปราณีตไปตามกําลังจิตนั่นเลย กำลังของจิตนั่นเลยนั้นถึงบอกไม่อัศจรรย์อะไรเลยการให้ทานแล้วได้ผลคือดินน้ำไฟลมเนี่ยแต่พระศาสดาต้องการให้ทานเพื่อให้ผลที่ไม่ได้ดินน้ำไฟลมต้องการสละทั้งหมดทั้งห่าวนี่บริบูรณ์ที่สุดใช่ไหมแต่แต่ในขณะที่เรายังพ้นไม่ได้เรา ย, ยังต้องอาศัยดินน้ำไฟล ม, มไหมต้องอาศัยต้องอาศัยบ้านต้องอาศัยรถต้องอาศัยเงินต้องอาศัยทรัพย์แต่ระวังนะที่การให้แบบไม่สละเนี่ย การให้แบบยึดติดเนี่ยการให้เพื่อผูกติดเนี่ยที่สุดจริงๆคุณจะไปแบกภาร ะ, ะเองนะลองไปถามคนที่มีภาร ะ, ะมากๆดีๆมันเดินไม่ออกกระทาไงเพราะัตยาสายไม่ได้สละาไว้แต่แรกอะ่ะโอ้โหมันเดินไปได้สองวาแล้วกลับกลับมาหารใหม่อูอ้หูไม่ไปแล้วใจจะขาดเช่องไหมมันเสียดายอะ่ะเพราะไม่ได้น้อมสละนะ่าเนี่ยเอาสิมันเป็นอย่างนี้ดังนั้นถึงบอกว่าคนที่เขาต้องน้อม ถ้าถามว่ายิ่งให้เนี่ยนะยิ่งสละเป็นเนี่ยนะของมันจะตามมาเป็นพลวันเต็ไมไปหมดเลยเราจะมองยังไงให้เป็นมแมลงวันได้เป็นในพานใช่ไหมในพานเวลาเขาจะไปเขาฆ่าเนื้อไปเสร็จเขาแบกเนื้อจะไปขายมาแมลงวันมแมลงเหลือววิ่งตามไหมอันนั้นใช่ผลของทานผลของกะผลของการที่เราเขาจะไปขายเนื้อไหมเขาไปฆ่าเนื้อมาเขาต้องการมาแมลงวันหรือเปล่า เขาต้องการเงินได้พลังงานทรัพย์นี่เหมือนกันที่เราสละทานในกุศลเราไม่ต้องการทานในกุศลในจริงๆด้วยหลักนะ่ะเราไม่ได้ต้องการตรงนี้แต่เราต้องการนิพพานนู่นเออเราต้องการอริยทรัพย์นู่นเนอะต้องการอริยทรัพย์ที่สูงสุดเน่ยคือพระ น, นิพพานนู่นน่ะแต่เราจะไม่ได้พระนิพพานถ้าเราไม่สละนี้เป็นเน่ยแต่กระหลาแล้วมันตามไหมต่อไปนี่นะถ้าให้ทานเป็น เราท่านทั้งหลายจะลํำคาญความร่ำรวยลํำคาญจริงๆ เ, เรื่องจริงนี่มันบอกมาแล้วแต่คนดังนั้นคำว่าอาธิษฐานเนี่ยอธิษฐานนี่นะอย่างยกตัวอย่างเช่นททขะระตังหิตายาสุขายะใช่ไหมเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขตลอดกาลนานเทินเนี่ยนะ มันแล้วแต่คนเข้าใจนะว่าสุขนี้สุขแค่ไหนสุขในกายมาสุขหรือสุขในพระนิพพานถ้ามีข้อมูลนี่นะเรื่องอธิษฐานไม่ยังเป็นเออเรื่องอธิษฐานไม่ใช่ไม่ยังเป็นขอไปเรื่องอธิษฐานเรื่องเรื่องคําพูดเนี่ยมันอยู่ที่ความเข้าใจอัตถะในความสุขในใจของวิทธภาษาหมายถึงอะไรถ้าอัตถะของท่านหรือของเรานี่นะหมายถึงพระนิพพานนั่นแหละมีตายะสุขายา นั่นนั่นก็คือพันิพานนั่นเองอันนั้นคือความไม่ฉลาดในการอธิษฐานไป อ, อธิษฐานเพื่อจะกอดทรัพย์แล้วตายอยู่กับซัพยบท่านทั้งบอกไงบอกว่ายิ่งจบ ก, ก็หวงซัพย์ของเขาเขาวิ่งอยู่ในกุฎหลังนั้นแหละบ้านหลังนั้นแหละงูเขียวก็วิ่งหนูเขาก็วิ่งถ้าเขาพูดได้เขาจะบอกกับที่เขาอ่ะใช่เดือนเขาก็บอกกับที่เขา มาแดงวันก็บอกว่าที่เขากอบเขียดทั้งหลายที่อยู่ในทุ่งนาทั้งหลายเนี่ยเขาล้องมาเป็นที่เขาหมดแหละแล้วเขาล้องบอกอะไรพวกเราเนี่ยที่เขาล้องเป็นนกเป็นหน Ł ูเป็นกบเป็นเขียดที่ล้องอยู่เนี่ยเขาบอกว่าเห่มไ้มที่ล้องเนี่ยเขาบอกว่าท่านที่มาปฏิบัติธรรมกันเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเล่าเข่งกว่าท่า น, อ, น, นอันนี้เรื่องจริงนะ แต่เพราะความประมาทที่แหละเราจึงเป็นอย่างนี้งั้นท่านทั้งหลายจงดูเราเป็นอย่างตัวอย่างไว้และอย่าประมาทเหมือนเราเอาแล้วเราอ่านอัฏฐาเสียงร้องของนกหนูได้นะถ้าอ่านไม่ได้นี่ยุ่งเรื่องจริงนะเนี่ยถ้าไปดูในชั้นคําสอนเนี่ยเป็นแบบนี้เลยถ้าอย่างพระก็อยู่ด้วยกันเนี่ยก็เจอเจอเจอโยกบบอย่างโจกเจอโคเจอกระบือนี่นะเดินเดินไปเนี่ยก็หันท่านชี้เลยเนี่ยท่านยังไม่พ้นนะ แค่นี้เขาจะดุ้งสะเทือนรีบเร่งความเพียนกันแล้วเขาเป็นว่าที่พ่อแม่เราได้ไหมถ้าเราถ้าเราตอนนั้นเกิดหน้ามืดเป็นลมหิวขึ้นมาเราคิดถึงโคกระ บ, บือตัวนั้นเราถือปฏิสันที่ท้องเ็าได้ไหมถ้าได้เหตุปัจจัยเรียบร้อยแค่นั้นแหละการปฏิสนที่ง่ายมากใจน้อมไปในเรื่องอะไรก็จะไปติดไปเกิดในที่ตรงนั้นเลยลองคิดดูทีนึง จากสองขากลายเป็นสี่ขาเรียนธรรมะก็ไม่ได้จะเนี่ยธรรมะนีไ่ไงทั้งสารวันเป็นแบบนี้ขออนุญาตเขากาศเจ้าค่ะเป็นคำถามของโยมเองนะคะ <c oughs> คือสำหรับคนที่เลี้ยงสัตว์ต่างๆจิตเขาก็าติดข้องในสัตว์อย่างนั้นนะคะอยากจะให้พระอาจารย์ช่วยชีย้แนะสำหรับ ญาติธรรมที่ยังเลี้ยงดูสัตว์อยู่เนี่ยจะวางใจอย่างไรให้ปลอดภัยในปฏิสนธิการของเขาวางใจอย่างไรให้เป็นกุศลทานวางใจอย่างไรไม่ติดข้องในภพภูมิของติลสารลองลอ ง, ลองยกมือหน่อยมีคนมีใครเลี้ยงเลี้ยงอบกยสัตว์บา้างนี้ยมาขอไปโอ้เยอะเลยเน<ช>ี่ยก็จริงจริงๆรงๆๆๆๆการการเลี้ยงนี่แล้วเร า, รามองดู เป็นกิจกรรมถ้าคนต่างชาติจะนิยมเลี้ยงน่ากรุณามากนะคือเขาไม่รู้ข้อมูลข้อมสารถ้ามีสิขาบทข้อนึงก็คือจะจะไม่ไม่ไม่ดีก็คืออย่างนี้การการที่เราจะดูแลเขาเนี่ยคือต้องตั้งฐานความคิดให้เกิดตั้งฐานความคิดก็คือกรุณาเขานั่นแต่ว่าเราต้องรู้จักสภาพจิตที่เป็นกรุณาเนะ กรุณาที่ชัดแล้วกรุณาเขาที่เขาเป็นอบายาสัตว์เราดูแลในฐานะที่เกี่ยวข้องกันนะเกี่ยวข้องที่เขามาอยู่ในฐานะที่มาอยู่ในการดูแลที่กรุณาเนี่มีกรุณาแท้กับกรุณาเทียมถ้าเมตตาก็มีเมตตาแท้กับเมตตาเทียมมุทิตาก็มีมุทิตาแท้กับเทียมอุเบกขาก็มีแท้กับเทียมใช่ไหมฉะนั้นนถ้าใครรู้จักพรหมวิหารจริงๆการดูแลสัตว์ ไม่แปลก ด, ดูแลได้แต่ขอให้รู้จักพรหมวิหารจริงๆนะไอ้ยังยกตัวอย่างเช่นเอาเมตตาเนี่ยทารักปรารถนาดีเอื้ อ, อทอนเนี่นะที่เป็นไตกับกุศลไม่ยึดติดอันนี้เป็นเมตตาแท้ถ้าเมตตาเทียมรักปรารถนาดีเอื้ อ, อทอนเหมือนกันจะยึดติดยึดติดก็เป็นของของเราอันนี้อั น, นเมตตาเทียม ถ้าการุณาล่ะมีความสงสารปรารถนาอยากจะให้เขาพ้นจากทุกข์ก็เกื้อกูลเขาดูแลเขาแต่จิตเป็นกุศลมีความแบบชื่นชื่นมาแม้เขาประสบทุกข์ต่างๆเหล่านี้จากกรรมจากการกระทําของเขาก็ไม่โมท่มานัดให้เกิดขึ้นนี่เป็นกรุณาแท้เพราะเราได้ทําหน้าที่เต็มที่แล้วไม่โมท่มนัดเลยไม่ใช่เพราะเขาเจ็บนิดหน่อยเจ้าของบ้านแคเป็นลมเลย เห็นเขาร้องออดออด น, น, น, นีดหน่อก็เจ้าของก็ร้องใจแทบขาดเลยองเงียอันนี้ไม่ใช่แล้วอันนี้แปลว่ามันเป็นกรุณาเทียมมันเป็นโทมานัทให้สังเกตว่าเมื่อเราได้สัมผัสดูแลเขาแล้วเนี่ยโทมนัทมันเกิดไหมในขณะที่เขาประสบความทุกข์ถ้าคนที่เขาเจริญกรุณาแท้เนี่ยเขาจะไม่โทมนัทแต่สิ่งเหล่า น, นี้เพราะพิจารณาเห็นกรรมของสัตว์ทั้งหลาย คือกรุเมตตาการุณามุทิตาแล้วเวขาก็จะมีปัญญานําหน้าเพราะจะไปวิจัยถูกถ้าอย่างเงี้ยเลี้ยงได้ดูแลได้ไม่เป็นไรสําหรับคนที่มีเมตตามีกรุณามีมุทิตาแต่ตรงเนี้ยรายละเอียดเดี๋ยวต้องไปว่าอีกเยอะก็คือให้ศึกษาข้อมูลความแท้กระเทียมเนี่ยนะสภาพของสภาวธรรมเนี่ยที่เป็นเมตตาแท้เมตตาเทียมกรุณาแท้กรุณาเทียมมุทิตาแท้แมุทิตาเทีย ม, แ, แ, ม, แ, ม, แ, ม แ, และอุเวขาแท้เทียมนี่ในรายละเอียดตรงนี้ เลี้ยงได้ไม่ได้แล้วก็ก็ดูแล ก, กันเป็นเรื่องที่เหมาะสมแต่ถ้าเรายังไม่รู้สภาพจิตตรงนี้เลยนะมันมันมันน่าเป็นห่วงตรงที่ว่าจุติจิตของเราที่มันจะเกิดเนี่ยมีโอกาสที่จะน้อมหน่วงเอาเข้าเป็นอารมณ์ได้อันนี้คืออันตรายสำหรับบุคคลที่ที่ไม่เป็นถ้าเราก่อนจะตายเราเอ๊ะใครจะดู แ, แลเขาแล้วเราึกถึงเขา ไอ้ตรงเนี้ย น, น, น, น่าเป็นห่วงอยู่ตรงเนี้ยใจมันจะเสียแวบเลยใช่ไหมแล้วก็ลมหายใจก็ขาดตอนนั้นบอดีแล้วมีเขาเป็นอารมณ์ถึงบอกไงบอกว่าเลี้ยงเขาได้แต่อย่าเอาเขาเป็นอารมณ์นะปัจจัยก่อนตายทําได้ไหมล่ะอย่าเอาเขาเป็นอารมณ์ก่อนตายถ้าในขณะที่เรานอ น, อนป่วยกระแสา ก, กระสเสาะอยอะเสียงเขาร้องออดออดอยู่ใกล้ ล้องอกเ ง, ง, ง, ง, งี้ยงองีไกลๆเงี้ยคิดว่าเราจะวางใจบอกว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนงนะนนีโอ้ใครทําดีก็ได้ดีทําชั่วก็ได้ชั่วอย่าไปยุ่งหมดหน้าที่เราแล้ววางใจได้อย่างนั้นจริงหรือไม่เดินออกมาตอนเนี้ยยังคิดถึงเขาไปกี่ครั้งแล้วไอ้ตอนเนี้แล้วหวนคิดถึงเขากี่ครั้งว่าเอเขาจะอยู่ยังไงอาหารเขามีใครจะดูแลไหม ยามป่วยใครจะพาเข้าไปหาหมอหรือตอนนี้เป็นยังไงเขาจะนอนหลับสนิทไหมอาหารที่กินเข้าไปเขาจะเขาจะแพ้ไหมอะไรไหมเ น, นี่ยอะในกรณีในขณะกําลังคิดถึงเขาอยู่อย่างนี้ด้วยความวิตกกังวลแล้วจิตจิตเกิดแว บ, บเดี๋ยวก็เงียบเป็นอย่างนี้ไงถึงความความความน่ากลัวทั้งหลายมันเกิดขึ้นอย่างผู้ไม่รู้ถ้ารู้หรือวางใจเป็นเสียก็ดูแลเือ ไม่เป็นไรเป็นเรื่องของความดีด้วยับมีเป็นอย่างนี้มีเป็นเรื่องความดีเกาจะมองเห็นไหมต้องประเด็นไหมเนี่ยแต่ว่าถ้าวางใจได้อะไรได้ก็โอ้โหเป็นเรื่องดีดีก็ดูอะไรนุ่มเพรกันนะเอามีมีประเด็นะทั้งหมดเลยทั้งหมดเลย แม่กับลูกหลานก็ควรเยอะเลยเพราะว่ายิ่งลูกหลานนี่แล้วนี่ก็ก็มีตัวอย่างแม่ในคำสอนก็เยอะเยอะที่ว่าเออมีผ้าไหมเก็บไปเยอะออกมาเวลาจะตายเนี่ยห่วงห่วงทรัพย์นี่นึง ทีนี้พอตายไปก็มาเป็นเปรืกเขาเฝ้าและลูกหลานก็เอาผ้าไหมไปแบ่งกันแต่ก็นอนกลิ้งร้องลอง้ม ล, ลูกหลานก็ไม่เห็นนะต้างยึดดูวยตัวเองต้งเองยึดมาแทบแย่ใช่ไหมแต่พอเราตายไปไม่นานโอ้โหของแต่ละชิ้นที่เขาเอาไปในลาวปวดลาวในหัวใจไหม เพราะไม่ใช่ของตนเองแล้วใช่ไหมด้วยความยึดในทรัพย์วัตถุเนี่ยพ่อไปเห็นเป็นวัตถุกรรมเป็นของหน้าใครหน้ายินดีพ่อไม่ได้มองเป็นวัตถุทานมาไงถ้าก็มองเป็นวัตถุทานเป็นของควรให้เนี่ยก็จะไม่ยึดติดตรงนี้เลยนะนี่เขายึดจะเรียบร้อยแล้วเห็นไหมที่สุดจริงๆที่เราบอกว่าเราไม่คิดว่าวัตถุกรรมเหล่านี้มันเป็นของลกรุงรังเนี่ยมันจะไปเป็นโทษในบารนาสถานการณ์ในการใกล้ตายฉะนั้นเป็นสิ่งที่ ใครที่มีทรัพย์มากจริงหน้าเป็นห่วงหน้าเป็นห่วงมีพื้นที่พื้นที่คิดเยอะเราเรานึกว่าแต่เอเราไม่มีพื้นที่หรือไม่มีวัตถุกรรมเยอะๆเนี่ยเรานึกว่าแต่โหเราพบเราเป็นทุกข์ใช่ไหมก็ลองดูสายในคนมีบุญทั้งหลายทำไมเขารีบสะละต้องดูโพอิสัตร์ทุกชาติ หรือดูในสาวกโหริยาวยกได้ทำไมเขารีบสละรีบสละเพราะเขามองว่าเป็นวัตถุทานถ้ามองเป็นวัตถุกรรมก็เห็นว่ามันมีโทษมันมีโทษมันนำ ม, มาซึ่งซึ่งความน่าสะพึงกลัวในยามชราในยามแก่เท่านี้คนปรากปนากันเนี่ยต่อ น, นี้นะต่อให้เราครอบครองแผ่นดินนี้ทั้งใบเนี่ยพอเรา ใ, ใกล้จะตายเนึ่เราจะเป็นทุกข์มาก เราจะให้ใครเนี่ยใช่หเออเราจะให้ใครเนี่ยและต่อจากเราจะทำยังไงเนี่ยมันจะเป็นทุกไปหมดเลยเพราะเป็นวัตถุกรรมเป็นของที่น่าไข้นาเข้านเข้าเขาเอาอะไรแต่นี้เราลองย้อนดูนนในชั้นคำสอนของพระศาสดานะรพระบรมศาสดาเนี่ยก่อนจะถึงวาระผมหงอกฟันหักเนี่ยพระองค์ก็ผมหงอกเส้นหนึ่งท่านสะดุ้งแล้ว ไม่ได้ไม่ได้เรื่องแล้วท่านคิดอย่างนี้นะจะต้องรีบสละวัตถุกรรมไม่เป็นวัตถุทานแล้วเพราะเป็นขอที่มีโทษเนะ่ะเขาให้อาสาท่าไหมให้ความยินดีให้ความเพลิดเพลินไหมให้ให้สุขสมนัตได้แต่ถามบอกว่าแล้วเขามีอาธินะวะไหมมีโทษไหมมีทุกขะทุกข์ไหมมีวิปริณามาทุกข์ไหมเป็นสังขารทุกข์ด้วย เอาสิมีความไม่เที่ยงด้วยไหมเป็นทุกข์เป็นอนัตตาด้วยนี่มันโทษทั้งนั้นนั้นจากรอยครอบคลองสามสิบเอ็ดภพในสามสิบเอ็ดภพก็มีทุกข์กับทุกข์มีสังขาระทุกข์มีวิปริณามะทุกข์ไอ้สุขนั่นแหละก็เป็นทุกข์ที่เปลี่ยนแปลงไอ้ทุกข์กับทุกข์ก็คือว่ามันเป็นทุกขเวทนาด้วยทุกกายก็ทุกข์ด้วยใจก็ทุกข์ด้วยเป็นสังขาระทุกขก็คือ ถ้าเราลองนี้นะถ้าเราปกครองคนสักร้อยคนโอ้ยทุกทางนั้นแล้วถ้าปกครองโนหกสิบล้านคนนั่งหน้าเครียดเนดูเหมือนดีนะเหาเต็มหัวถ้าพูดกันตามตรงอะคนมีเหาเต็มหัวกับคนไม่มีเหอ่าหนเดียวกันนั่นแหละมีวัตถุกรรมมากก็คือมีเหาเยอะเข้าใจยังอยากมีเหาเยอะไหม เนี่ยถ้ามองอย่างนี้จะเห็นเห็นภาพเพราะจริงๆเป็นอย่างนั้นแต่ว่าดูพระเจ้ามหาสุทัศนะชัดเลยท่านบอกว่าท่านมีมีเมืองขึ้นเนี่ยแปดหมื่นสี่พันเมืองเมืองขึ้ น, นที่ที่ที่ ท, ที่ยอมจำนนกับท่านหมดเลยเนะแล้วกองทัพกองทัพเนี่ยกองทัพช้างก็แปดหมืนสี่พัน กองทัพม้าก so qu ็แปดหมื่นสี่พันกองพับรถก็แปดหมืนสี่พันนเดินพาก็ดหม่นสี่พันยางละแปดหมื่นี่พันบุญนั่นดีจริงๆบุญประเภทสร้างมาเพาเหมาะสมเลยแปดหมื่นสี่พันบุเลยนางถนมก็แปดหมืนสี่พันนางเตียงบันทมก็แปดหมืนสี่พันเตียงปราสาทก็แปดหมืนสี่พันปราสาทเรือนยอดก็แปดหมื่นสี่ันเรือนยอดบัลลังก์แปดหมื่นสี่พันบัลลังก์ผ้านี่นะท่านใช้โอ ได้เนี่ยนะค้นเอามาให้ใช้เนี่ยวันละแปด0มืนสี่พันโกดพัทพับแต่ใช้จริงใช้ได้กี่ผืนเห็นไหมเนี่ยเตียงแปดหมืนสี่พันเตียงใช้จริงๆริงไงนพอพอพิจนารณาเนี่ท่านท่านโอ้ไม่ไหววัตถุ ก, กรรมเยอะเกินข้าวเนี่ยอาหารสำรับเนี่ยแปดหมื่นสี่พันสรับต่อ ว, วันเนี่จะไปกินยังไงแต่สรุปก็คือรองเท้าแปดหมืนสี่พันคู่กัน บางคนชอบสะาสมรองเท้าก็เห็นบางบ้านไหมเต็ไมไปหมดจะใส่ ย, ยังไงมาว่า <c oughs> มีเทียสองเท้าแค่นั้นึงสวเอจเสื้อก็เต็ไมไปหมดทจะไม่มีที่จะวางเลยนะแต่ไม่รู้พวกเราคงไม่เป็นนักปฏิบัติธรรมคงไม่ขนาดนั้นเลยแล้วมีหรือเปล่าไม่้ปรอออเพืสะ ส, สมวัตถุกรรมทั้งนั้นเลย ยี่มองหน้าเนี่ยก็เป็นผู้สละกแล้วทั้งนั้นเนี่ยถ้าเรามองอย่างนี้เราก็จะเห็นเลยว่าว่าเห็นไหมว่าถ้ามองเป็นวัตถุกรรมเนี่ยมันเป็นของหน้ายินดีหมดเลยถ้าจะมองเป็นวัตถุฐานเป็นของคุณให้มันจะคิดว่าเออจะให้จะสลักจะสละักในข้าวในข้าวก็จะเริ่มสลัเพราะสิ่งเหล่านี้สลัมันเดี๋ยวก็ไหลามาอีกถ้าพูดในจำนวนออกมาเลยนะตรงโดยตรงเลยนะยิ่งสลัยิ่ง ยิ่งได้เป็นยิ่งเบื่อมันยิ่งน่าเบื่อที่มันมาบางทีบางทีโอ้ทําไมมันเราจะทํายังไงให้หมดเร็วๆเนี่ยนั่งคิดอย่างเงี้ยเอาแจากไปเอาไมา้กแล้วเอาแจากไปเอาไมา้กแล้วนี่ยิ่งเอามานี่ยนะมาทําบุญเรื่องจีวอนนี่นะึ่ไปที่ไหนได้แต่จีวอได้แต่จีวอเอามาคนนึก แต่ว่าไม่ใช่เบื่อแบบนั้นนั้นนึกใใจว่าเราจะต้องรีบสลับยังไงให้เป็นประมาณนึกนึกอย่างงี้ที่เคยกล่าวไปไว่าสระน้ํามันเล็กเต่ไม่ใช่สระน้ํามันใหญ่แต่น้ํามันน้อยเราจะทํายังไงให้น้ํามีมากเราจะทํายังไงวิธีการก็คือวิดน้ำนํำวิดน้ําในสระเนี่ยออกมาพรมข้างนอกไม่ใช่พรมแบบไร่ทิศทาง พรมต้นไม้ใหญ่ๆไว้ก่อนให้ต้นไม้น่ะเจริญงอกงามแล้วจะได้ไปดึงฝนบรอากาศลงไม้ลงศากทานก็เป็นแบบนี้แหละถ้าคนฉลาดให้อ่ะเข้าใจว่าเพราะอะไรเพราะเราต้องการจะกระจายกระจายเนี่ยความชุ่มชําของน้ำเนี่ทั่วทั้งแดนดินถ้าเราคิดแบบที่เราคิดเนี่ยทานมันก็ได้แค่นี้ยวัตถุทานทั้งหลายมันก็มีน้อยแล้วมันคนต้องการมันเยอะ เราจะแจกได้ยังไงแจกไงก็ไม่แน่นีว่าเราแจกสเปียร์สปะด้วยไม่ได้ตั้งอยู่ที่ทักขินัยยะบุคคลเขาให้อีกก็ยิ่งหยีผลของทานกันน้อยอีกยิ่งทําทานไม่ให้ทานไม่เป็นใช่ไหมก็ให้ทานอย่างเวลามาพร้ามไปดูในเวลามาสูตริให้สิบสองปีผลนิดอสู้ข้าวทัพพีเดียวไม่ได้ที่ท่านฝากไว้กับทักขินัยยบุคคลอย่างเราเนี่ยบางคนให้มาตั้งนานอาจจะสู้ข้าวหนึ่งทัพพีเล็กๆเกมื่อวานนี้เมื่อเช้านี้ก็ไม่ได้ก็ได้ใช่ไหม เพราะเราปลารบปลารบสังฆรัตนะพลารบพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะนี่เราไม่ใช่ปลารบปาติปุคาริกทานนี่เราปลารบสังฆทานเงี้ยโอ้โหเงี้ยผลของก็มอาทานก็ยิ่งใหญ่ใช่ไหมนี่คือปลารบเป็นวัตถุทานเรามีน้อยแต่ทํายังไงจะได้ผลมากแต่ไม่ใช่ว่าหวังผลมานอนกอดอย่างที่คิดมา่อกี้เนี่ยใช่ไหมเพราะจริงๆผลที่มันมาถ้ามันท่วมทับขึ้นมาเนี่ยโอ้โหจะมันสมรักเนะ ํารับผลของทานนกุศลนะนเข้าวนาข้าก็จมแล้วก็ตายอยู่กับทานนกุศลนาข้าวนาข้าวมีขนาดไหนก็คือบอกคนอื่นว่าไม่มีอยู่นั่นแหละใช่ไหมเพราะเปมองเป็นวัตถุกรรมมองเป็นวัตถุกรรมเสร็จแล้วก็หน้าไข่หน้ายินดีหน้าเพลิดเพลินหน้าปรารถนาหน้าพอใจหน้ารักชักให้ไข่พาใจให้กำหนัดก็ยินดีอยู่นั่นแหละนาข้านาข้ก็ตายไปกับความยินดีเลยไม่ได้ต่อบุญเลย ก็พ like enfin ้นทุกข์ไม่ได้เลยต้องมานั่งฟังธรรมเหมือนพระท่านพูดแล้วมันน่าเบื่อเนอะมาฟังแล้วฟังอีกใช่ไหมคิดดูที่คนอื่นเขาฟังกันไม่กี่ม้วนก็จบแล้วเขารู้กันหมดแล้วเรานี่ไม่รู้กี่ชกพบกี่ชาติไม่รู้กี่รอบแล้วม่นั่งเรียนกันแล้วนั่งเรียนอย่างนี้อาม่าก็เบื่อนะที่จะต้องมานั่งเรียนบ่อยๆเนี่ยอามาก็บอกไม่เอานานแล้วต่อไปใช่ไหมเอาคิดดูทีพอตายแล้วต้องมาเรียนใหม่ไหมเรียนใหม่ทีนี้ถ้าเกิดเป็น ถ้าเป็นตีเหตุกะก็เพราะว่าใช่ไหมโอ้โหได้เหตุสามเลยไดครูบาอาจารย์ดีเรียนปุ๊บปุบปุบปบ๊เข้าใจแล้วปฏิบัติขาดเกลาได้เลยสำคัญจะมาเป็นพวกทวีเหตุมีเหตุสองปัญญาก็ไม่เคยมีนะเขาเป็นอเหตุกุกะที่หนักเลยตอนเนี้ยใช่ไหมน้าอนเนตนาดนะ่าได้เป็นอเหตุกะเพราะกรรมที่เราทําอเหตุกะก็เยอะนะอย่าลืมเนะีทท่ยทที่กรรมที่ทําแบบขาดปัญญาเช่นบางทีเราไม่อยากจะทําบุญสุนทานเล ย, เลย เอ้าเจอผ้าก็อีกโมโหโกรธบอกไม่ให้ก็น่าเกลียดอ้าวไปไว่างั้นเน่แล้วกรรมอย่างนั้นเกิดไปให้ผลในปฏิสนธิทำไงเาเดีนี้เฮ้ยกลายเป็นโลกเออเลยเียนีน้ยุ่งเลยใช่ไหมเราไปทำบุญแบบนั้นเ อ, อ้ให้ทรงๆเนี่ยให้แบบไม่มีวิจัยไม่มีวิจัยะฐานน น, นี่ไงคือบอกว่าผลของกุศลต่างๆ